บุ๊กท2ยี่สิสี่การนัดหมายเบตเบตคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะทุกที่บัสสุคลิ ดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะมีอ र ร์ा त าตาสุจีวัดบกหิตลีมีอาร์ด้ त ुาी व ाีวัดบกหิตลคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะทุเจาะคดีมือถือไม่ค่ะทุเจาะคดีมือถือไม ह ค่ะครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะพูดช้าเว่ยเวेเย่พูด ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะปุจชะเวรีแท็กซี่คารุนีปุจชะเวรีแท็กซี่คารุนีครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะปุจชะเวรีสุตัสสบัตตรบัตชิกพรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะอุทाามาจุตติยาเหัดุตติย พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะอาปนุเดียบิทายสิกะอาเดียบายสิกะขอโทษค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะ म ाาฟกันะมลลาอุยาอाละจाาหนาหีม้าฟกันะมลลาอุทยาอิละจำนาหนาหีสุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทาหรือยังคะ येत्या शनिवा र ์รวีวา त ี आ ध ่ च काही कार्यक्रम ठरवले आहेसका ये त्या शनिवार र व ि व ा र ตย์ศนีวาร์รวีวารีทุ่วอาทิตย์ค่ क ทหรือว่าคุณมีนัดแล้วคะคุณว่าดุสรยาคนอื่นๆบีेัยเซ็ตุเจ้าอาทิตย์ทาाุเลียเฮก์ก์คุณว่าดุสรยาคนอืีฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ मला स ่ च, च, व, च, स स च व ा य च ั आहे क าเ प ่ आ ठ ่ ड ปันอัฐวดัจฉะอัคเเขรส์เบตุียมัลล่าสุดวัยจะอ् य ा่ที่อปันอัฐวเราไปปิกนิกกันดีไหมคะอ प ั पिकनिकला जाऊयाका ก प อ प ัน न ि क ल ा जाऊयाका เราไปชายหาดกันดีไหมคันสัมมุทระคิณารีจาวิยากะอปันสัมมุทระคิณาร เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะอาปนพาร์อาปนรวตาวรจาวยค่ ะ, ะ, คะดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงานมีตุลาการยาลหมีตุลากายาลหุนเกหุนใจนดิฉันจะไปรับคุณที่บ้านมีตุลานิยาเลหะริเยน มิทูละไหนละเกรียงดิฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารมิทูละบัสทั้งแบบวันเมิทูลบสทั้งวันเใจ